ทีว ะ, ะวัติพระสุธิธรรมดังสีคัมภีระเมธาจารย์พระอาจารย์ลีธรรมทโรวัดอโศกการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ พระจารีเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีเวลา21นาฬิกาเดือนยี่แรมสองคำปีมะเมียตรงกับวันที่31มกราคมพุทธศักราช2449บ้านเกิดคือบ้านหนองสองห้องตําบลยางโยภาพอำเภอมุ่งสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีหมู่บ้านนี้ มีบ้านประมาณ80ดสิหลังคาเรือนแบ่งออกเป็นสามคมคือหมู่บ้านน้อยหนึ่งหมู่บ้านในหนึ่งและหมู่บ้านนอกหนึ่งที่หมู่บ้านนอกนี้มีวัดตั้งอยู่พระจารีได้เกิดในหมู่บ้านที่มีวัดตั้งอยู่บ้านทั้งสามคมนี้มีหนองน้ำอยู่ตรงกลางสามหนองบริเวณ ร, รอบหมู่บ้านมีต้นยางใหญ่ขึ้นอยู่ล้อมรอบนับเป็นสิบสิบต้น ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านมีเนินบ้านเก่าๆมีพระอุโบสถรางสองแห่งปรากฏว่าผีดุมากบางคราวถึงกลับมาพาคนไปอยู่ที่ศาลเจ้าสังเกตเดียวรู้สึกว่าจะเป็นฝีมือของขอมเป็นผู้สร้างขึ้นนามเดิมของพระชาลีคือนายชาลีเป็นบุตรของนายเปล่านางพุย่ยนาดีวง์โปูชื่อจันทารียา ชื่อนางสิดาตาชื่อนันทสเสนใยายชื่อนางดีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวมเกคนเป็นชายห้าคนเป็นหญิงสี่คนเมื่อเกิดมาได้9ก้าวันเกิดมีอาการรบกวนพ่อแม่เป็นการใหญ่เช่นรอ้องไห้เสมอเสมอถึงกับโยมทั้งสองได้แตกจากกันไปหลายวันเมื่อโยมผู้หญิงออกใยได้สามวันตัวเองเกิดโรค ป่วยบนศีรษะไม่กินไม่นอนเป็นเวลาหลายวันเลี้ยงยากที่สุดพ่อกับแม่ไม่มีการสามารถจะเลี้ยงให้ถูกใจได้ต่อมาอายุได้11ปีมารดาถึงแก่กรรมยังมีน้องเล็กๆคนหนึ่งเป็นผู้หญิงได้เลี้ยงดูกันมาส่วนคนอื่นๆเขาโตแล้วต่างก็พากันมปทำมาหากินยังเหลืออีกสองสามคนพ่อลูกพากันทานาเป็นอาชีพ พออายุได้ราว12ปีได้เรียนหนังสือไทยเพราะอ่านออกเขียนได้สอบชั้นปถมก็ตกเสอีกช่างมันแต่จะเรียนไปจนหมดเวลาพอดีอายุ17ปีจึงได้ออกจากโรงเรียนต่อจากนั้นมาก็คิดแต่หาเงินกันเท่านั้นในระหว่างนี้เกิดมีการขัดอกขัดใจกับโยมผู้ชายบ่อยๆคือโยมต้องการให้เราทําการค้าขายของที่เราไม่ชอบ เช่นไปหาซื้อหมูมาขายซื้อบัวมาขายเป็นตน้นถึงเวลาอยากจะไปทำบุญก็คอยขัดการงานก็คอยขัดคอเสมอบางทีต้องการไปทำบุญกับเขาก็าหายอมให้ไปไม่กลับบอกให้ไปทำไร่ทานาเสียบางวันน้อยใจนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวกลางทุ่งนานึกแต่ในใจว่าเราจักไม่อยู่ในหมู่บ้านนี้แต่ก็ต้องอดทนอยู่ไปก่อน ต่อมาบิดาได้พันธยาใหม่คนหนึ่งชื่อแม่ทิพตตอนนี้ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยเมื่ออายุได้18ปีได้ออกเดินทางจากบ้านลงมาหาพี่ชายซึ่งมารับจ้างทำงานอยู่ที่ตลาดหนองแสงจังหวัดสระ บ, บุรีทราบว่าเขาทำงานได้เงินเดืนอนเพราะทางการชประทานกาลังมีการก่อสร้างประตูน้ำพอเดิน11ก็ได้มาพักอยู่กับพี่ชาย พี่ชายก็ไม่พอใจเหตุที่จะไม่พอใจนั้นก็เพราะได้บอกกับเขาว่าพี่ควรขึ้นไปบ้านบ้างสิเขาก็ปฏิเสธไม่อยากจะไปเราจึงหนีออกเดินทางลงมาเที่ยวแสวงหาเงินเพราะเห็นว่าเงินเป็นของคู่กับชีวิตในระหว่างนี้กำลังตกอยู่ในวัยชกรันแต่มีความรู้สึกว่าตนของตนเองยังเป็นเด็กอยู่เสมอเช่นมีเพื่อนฝูง แนะนำชักจูงไปเที่ยวผู้หญิงก็ไม่สนใจเพราะเรื่องพบโภมีเมียคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องของเด็กชีวิตที่ผ่านมาแล้วนั้นมีความรู้สึกนึกแต่ในใจอยู่ว่าถ้าเราอายุยังไม่ถึง30ปีจะไม่ยอมแต่งงานข้อหนึ่งข้อ2ถ้าเงินไม่ติดอยู่ในกระมือถึง500บาทเราจะไม่ยอมแต่งงานกับใครๆตั้งใจว่าเราคนเดียวมีความสามารถและมีเงิน ที่จะเลียงดูเขาได้อย่างน้อยสามคนขึ้นไปเราจึงจะยอมเกี่ยวข้องกับผู้หญิงยังมีข้อรังเกียจอยู่อีกข้อหนึ่งคือเวลาเป็นเด็กเริ่มรู้เดียงสาถ้าได้เห็นหญิงตั้งคันจนจะคลอดทำให้เกิดความรู้สึกทั้งเกลียดทั้งกลัวเพราะคนทางโนนเวลาจะคลอดบุตรมักเอาเชือกผูกบนคือมือจับปลายเชือกห้อยแขวนทาการคลอด บางคนถึงกับร้องเ อ, อ้อวยวายหน้าบิดขอเปียวบางครั้งพผอเอไปเห็นเข้าต้องเอามือปิดหูปิดตานอนไม่หับเพราะความทั้งเกลียดทั้งกลัวเรื่องเหล่านี้มีความรู้สึกติดตาติดใจมาตั้งแต่เด็กต่อมาอายุผ่านเข้า 19-20 ถึงปีในระหว่างนี้พอจะมีความนิสัในทางบุญละทางบาปแต่ก็ไม่มีนิสัยในการทาบาป ตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุ20ปีได้เคยฆ่าสัตว์ใหญ่ตายครั้งเดียวคือสุนักเหตุที่ฆ่าสุนักนั้นจำได้ว่าวันหนึ่งกำลังนั่งกินข้าวอยู่แล้วเอาไข่ไปหมกไว้ในกองไฟสุนักก็มาข้ามเอาไข่ไปกินเสียหลุกขึ้นได้ความไม้ที่สุนัขตายขาที่พอสุนักตายก็นึกเสียใจว่าเราจะแก้บาปครั้งนี้โดยวิธีไหนจึงได้ค้นหาหนั่งสื้อเก่เา ท่องจำคาถาบวชน้ําได้ก็มาไหว้พระสวดมนต์อุทิศสงมกษณ์ทศนักตัวนั้นใจก็ดีขึ้นแต่นิสัยใจคอระหว่างนั้นก็นึกอยู่ในใจว่าเราอยากจะบวชพอดีอยู่ครบ20ปีต้องกับพศ2468โยมมาดาเลี้ยงตายวันนั้นได้ไปอยู่กับญาติที่อำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมพอปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้กลับขึ้นไปบ้าน ยอมบิดาก็แนะนำให้โบ์ขณะนั้นมีเงินติดตัวอยู่ประมาณ160บาทเมื่อไปถึงบ้านใหม่ๆพี่ชายพี่เขยพี่สาวก็พากันมาก้มร่มเยี่ยมเยียนถามข่าวๆาวต่างๆแล้วขอกู้เงินยืมเงินไปซื้อขวายบ้างซื้อนาบ้างค้าขายบ้างก็ยินยอมให้เงินเข้าไปตามที่เขาต้องการเพราะตัวเองกิจโบดตกลง เงิน160บาทที่มีอยู่คงเหลือเพียง40สบาทเมื่อถึงเวลาเทศกาลบวชน้าโยมบิดาก็จัดแจงให้บวชจนสำเร็จได้ทำการบวชเมื่อึ้นวันขึ้น15หาคำเดือน6มีเพื่อนๆบวชด้วยกันในวันนั้นรวม9้าองค์ทุกวันนี้พวกที่บวชวันเดียวกันมรณภาพไปบ้างลาศิกขาบ้างยังคงเหลือที่เป็นพระภิกษุอยู่เพียงสององค์คือเพื่อนหนึ่ง กับตัวเองเมื่อบวชแล้วก็ได้เรียนสวดมน์และพระธรรมวิ น, นัยแล้วตัวดูภาวะของตนและพระภิกษุอื่นๆในสมัยนั้นเห็นว่าไม่ไหวแน่เพราะแทนที่จะปฏิบัติสมณ ก, กิจกับมั่วสมแต่การสนุกมากกวา่าเป็นต้นว่านั่งเล่นหมากลุกกันบ้างเล่นมวยป้ามกันบ้างเล่นดึงหัวมิขิดไฟกับผู้หญิงเวลามีงานเฮือนดีบ้างเล่นนกกันบ้าง เล่นชนไก่กันบ้างบางทีถึงกับมีการฉันข้าวเย็นพูดถึงเรื่องฉันข้าวเย็นแม้แต่ตัวเองซึ่งรวมอยู่ในสังคมชนนั้นในสมัยนั้นนึกได้ว่าเคยประพฤติรวมสามครั้งคือครั้งที่หนึ่งวันหนึ่งดรสิทธิหิวได้คว้าเอาข้าวที่บูชาไว้บนหิ้งพระมาฉันเวลากลางคืนครั้งที่สองได้รับอิมน์ไปเทศมหาชาติ ในงานบุญมหาชาติที่วัดบ้านนนดแดงตำบลไผ่ใหญ่อำเภอ ม, ม่วงสามสิพอดีกันเทศของตัวเองไปตรงกับเวลาเพลนพอเทศจบก็หมดเวลาฉันขณะเดินทางกลับวัดมีลูกศิษย์สภายย่ามใส่ข้าวสุก ข, ข้าวต้มมัดและปลายา่างเมื่อเดินท้ามาระหว่างทางประมาณสิบสามนิกาเศษ ร, รู้สึกเหน็ดเหนื่อยและหิวจึงเรียกให้ลูกศิษย์เอาของในย่ามมาดู อดใจไม่ไหวเลยนั่งลงชันปาย่างกับข้าวเหนียวที่ใต้รมไม้แห่งหนึ่งเมื่อชันเสร็จแล้วจึงได้เดินทางกลับวัดครั้งที่สามเข้าป่าไปทำงานลากไม้มาสร้างสารการปรเรินตกเวลากลางคืนเกิดความหิวจึงได้ชันเข้าเย็นอีกครั้งหนึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ทำแต่ลำพังคนเดียวเพื่อนฝูงก็ทากันมากแต่พากันปิดปัง ในระวังที่บวชอยู่ในระยะเวลานั้นที่รู้สึกเบื่อที่สุดคือการรับนิ ม, มนต์ไปสวด ม, มนต์คนตายเพราะรู้สึกรังเกียจมากตั้งแต่เกิดมาจนยุ20ปีถ้าบ้านไหนเกิดมีคนตายจะไม่ยอมไปกินข้าวกินน้ำในบ้านนั้นแม้กระทั่งคนอยู่ที่บ้านเดียวกันออกไปช่วยงานศพเมื่อเขากลับมาถึงบ้านก็พอสังเกตุว่าเขาจะกินน้ำกระวยไหนกินข้าวกรองไหน แล่จดจำไว้แต่ไม่พูดแล้วตัวเองจะไม่ยอมกินข้าวกินน้ำร่วมภาชนะกับคนนั้นเมื่อบวชแล้วนิสัยนี้ก็ยังติดอยู่ตั้งแต่เกิดมาถึงอายุ19ปีป่าชาไม่เคยเหยียบแม่ญาติหรือแม่จะตายก็ไม่ยอมไปเผาวันหนึ่งได้ยินเสียงร้องไห้โวยวายในหมู่บ้านก็ทราบว่ามีคนตายพอดีเห็นคนเดินถือคันพร้อมดอกไม้ทุบเทียน มานิมนต์พระไปสวดพอคนมานิมนต์เดินเข้าห้องสมผานตัวเองก็รีบหนีพระบทใหม่ใหม่ที่เป็นลูกน้องก็พร้อยหนีตามหนีไปแล้วก็แยกย้ายกันไปคนละแห่งปีนขึ้นต้นมะม่วงคนละต้นแล้วต่างคนต่างนิ่งเงียบสักครู่หนึ่งพระอุปชาตามหาไม่พบได้ยินแต่เสียงท่านเอ็ดอยู่บางกุฏินึกกลัวอยู่อย่างหนึ่งคือลูกศกนเพราะพระอุปชา ท่านชอบยิงกระสุนไล่ค้างขาวตามต้นไม้ในที่สุดท่านก็ใช้ใสำมานเณรค้นหาจนพบต่างคนต่างต้องลงจากต้นหนามม่วงเป็นอยู่อย่างนี้จนตลอดเวลาสองพรษาจึงมาตรวจคนดูพระวินยัยก็รู้สึกยุ่งยากลำบากใจเป็นอย่างยิ่งนึกแต่ในใจว่าเราต้องศึกถ้าไม่ศึกเราต้องหนีพอล่วงถึงพรรษาที่สองจึงตั้งใจอธิษฐานว่า เวลานี้ข้าพเจ้ายัางมุ่งดีหวังดีต่อพระศาสนาอยู่ในการต่อไปนี้ขอจงให้พบครูบาอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบัติชอบภายในสามเดือนต่อมาเดือนพฤศจิกายนข้างแรมในประเทศมหาชาติที่วัดบ้านโนรังใหญ่ตำบลยางโยภาพอำเภอม่วงส0สิบพอดีไปพบพระกรรมฐานองค์หนึ่งกำลังเทศอยู่บนธรรมาต์ รู้สึกเกิดแปลกประหลาดในจิตโดยโาหารของธรรมะน่าเริ่มใส่จึงได้แต่ถามญาติโยมว่าท่านองค์นั้นเป็นใครมาจากไหนได้รับตอบว่าเป็นสิทธิ์พระจย์มั่นชื่ออาจารย์บทท่านได้พักอยู่ในป่ายางใหญ่ใกล้บ้านเรายี่สิบเส้นพองานมหาชาเสร็จก็ได้ติดตามไปดูได้เห็นปฏิปทาความประพฤติของท่านเป็นที่พอใจจึงถามท่านว่าใคร เป็นอาจารย์ของท่านท่านตอบว่าพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาเวลานี้พระอาจารย์มั่นได้ออกเดินทางจากจังหวัดสกลนครไปพักอยู่ที่วัดบูราภาจังหวัดอุบลราชธานีเพราะได้ความเช่นั้นก็รีบเดินทางกลับบ้านนึกแต่ในใจว่าเราคงสมหวังแน่ๆอยู่มาไม่กี่วันจึงได้ลาโยมผู้ชายลาพระอุปชาท่านทั้งสองนี้ ก็พูดจาขัดขวางทุกด้านทุกมุมแต่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดว่าเราต้องไปจากบ้านนี้โดยเด็ดขาดจะให้ศึกก็ต้องไปจะให้อยู่เป็นพระก็ต้องไปพระอุปชาและโยมผู้ชายไม่มีสิทธิใดๆทั้งหมดถ้าคืนก้าวกายสิทธิในตัวเรานาทีใดต้องลุกหนีไปหน้าทีนั้นได้พูดกับโยมผู้ชายอย่างนี้ในที่สุดโยมผู้ชายและพระอุปชาก็ยอม เดินอ้ายข้างแร ม, มรเวลาเพลนแล้วประมาณ13ามนิกาได้ออกเดินทางพร้อม ด, ด้วยบริการโดยลำพังองค์เดียวโยมผู้ชายได้ติดตามออกไปส่งถึงกลางทุ่งนาเมื่อได้รำลากันแล้วต่างคนก็ต่างไปวันนั้นเดินทางผ่านอำเภอเมือง30บพุ่งไปสู่จังหวัดอุบลราชธานีได้ทราบข่าวว่าพระจานทร์มั่นพักอยู่ที่บ้านกุดลาดตำบลกุดลาดอำเภอเมือง อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณสิบกิโลเมตรเศษพอดีพระบริคุตซึ่งเคยเดำรงตาแหน่งในอำเภอเมืองสามสิบถูกปลดออกจากราชการขี่รถยนต์ผ่านมาพบเากําลังเดินทางอยู่คนเดียวท่านผู้นี้ได้นิมนต์ให้ขึ้นรถคนย้ายครอบครัวของท่านไปส่งถึงสนามบินจังหวัดอุบลทางไปผ่านกูดลาดบัดนี้ ก็ยังระลึกถึงบุญคุณของท่านผู้นี้อยู่ทั้งๆที่ไม่รู้จักกันเลยประมาณห้าโมงเย็นเดินทางถึงสำนักวัดป่าบ้านกุดลาดแต่ได้ทราบว่าพระจันมั่นกลับมาพักอยู่วัดบูตภารุ่งเชา้าเมื่อฉันอาหารแล้วได้เดินเท้ากลับมาจังหวัดอบบุบลได้ไปในมสัสการกราบเรียนความประสงค์ของตนต่อพระจันมั่นท่านก็ได้ช่วยแนะนาสงเคราะห์เป็นที่พอใจ สอนคำภาวนาให้ว่าพุโทโธเพียงคำเดียวเท่านี้พอดีท่านกำลังอาพาธท่านไดน้แนะนำให้ไปพักอยู่บ้านท่าวังหินซึ่งเป็นสถานที่เงียบสงัดวิเวกดีที่นั่นมีพระอาจารย์สิงห์พระมหาปิน่นมีพระพิสุสัมาเนรราวสี่สิพระองค์พักอยู่ได้เข้าไปฟังธรรมเทศนาของท่านทุกคืนรู้สึกว่ามีผลเกิดขึ้นในใจสองอย่าง คือเมื่อนึกถึงเรื่องเก่าๆของตนที่เป็นมาก็ร้อนใจเมื่อนึกถึงเรื่องใหม่ๆที่กำลังประสบอยู่ก็เย็นใจทั้งสองอารมณ์นี้ติดตนอยู่เสมอพอดีได้พบเพื่อนที่หวังดีสององค์ได้ร่วมอยู่ร่วมชันร่วมศึกษาสนทนากันตลอดมาเพื่อนสององค์นั้นคือพระอาจารย์กงมาและพระอาจารย์สามได้ภาคเพียรพยายามภาวนาอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืน เมื่อได้พักอยู่พอสมควรแล้วก็ได้ชวนพระอาจารย์กองมาออกเดินทางไปเรื่อยๆไปพักตามสารเจ้าพีภูตาของหมู่บ้านตำบลต่างๆแล้วได้เดินทางกลับไปถึงบ้านเดิมเพื่อบอกข่าวขุนสให้โยมผู้ชายทราบว่าได้พบพระอาจารย์มั่นเป็นที่พอใจในชีวิตแล้วอาตมาจักไม่กลับมาตายบ้านนี้ต่อไปคือได้นึกเป็นกติในใจอยู่ว่าเราเกิดมาเป็นคนต้องพยายาม ตายขึ้นอยู่บนหัวคนเราบทเป็นพระต้องพยายามให้อยู่บนหัวพระที่เราเคยพบผ่านมาตอนนี้รู้สึกว่าเกิดความสมหวังในความคิดฉะนั้นจึงกลับบอกเล่าให้โยมฟังว่าฉันลาไม่กลับเงินทองข้าวของใช้ส่วนตัวมอบเสร็จทรัพย์สินเงินทองของโยมจกไม่เกี่ยวข้องตลอดชีวิตแต่ยังไม่เคยตัดสินใจว่า เราบวดแล้วจะไม่ยอมศึกแต่ก็นึกในใจว่าเราไม่ยอมจนในชีวิตโยมป้าได้ทราบเรื่องก็มาพูดต่อว่าท่านจะเกินปะทะมังจึงได้ตอบไปว่าถ้าฉันศึกมาถ้าฉันมาขอข้าวป้ากินขอให้ป้าเรียกฉันว่าสุนักก็แล้วกันเมื่อได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วเะ น, นีก็ได้สั่งกับโยมผู้ชายว่าโยมอย่าเป็นห่วงอาตมา จะบวชจุดได้ก็าตามจะศึกออกมาก็ช่างอัตมาพอใจแล้วที่ได้สมบัติจากโยมได้สรัพย์พิเศษแล้วจากโยมคือตาสองข้างหูสองข้างจมูกปากครบอาการสาสสองจัดเป็นก้อนทรัพย์อย่างสำคัญแม้โยมจะให้ทรัพย์อย่างอื่นอัตมาก็ไม่อิ่มใจเมื่อได้สั่งโยมผู้ชายเสร็จแล้วก็ลาโยมผู้ชายเดินทางกลับจังหวัอบบดอุบลราชธานี เดินทางไปถึงหมู่บ้านวังถ้ำก็ได้พบผ้าจาันมันพักอยู่ในป่าจึงได้เข้าไปพักอาศัยอบรมอยู่กับท่านเป็นเวลาหลายวันต่อจากนั้นก็ได้ดำริว่าเราต้องสวดยติใหม่ล้างบาปเก่าเสียทีเมื่อได้หาเรือผ้าจา์นมันแล้วท่านเห็นดีเห็นชอบด้วยจึงได้ทำการหัดขานนาคเมื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ติดตามท่าน ไปเที่ยวในตำบลต่างๆได้รู้สึกมีความเลื่อมใสท่านเป็นอย่างยิ่งเพราะได้รับความอัศจรรย์จากท่านหลายอย่างอาทิเช่นบางเรื่องคิดอยู่ในใจของเราไม่เคยแสดงให้ท่านทราบเลยท่านกลับทักทายถูกต้องก็ยิ่งเพิ่มความเคารพเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นทุกทีการทําสมาธิก็หนักแน่นหมดความหงอยใหญ่อะไรต่ออะไรหลายๆอย่าง ได้อบรมอยู่กับท่านเป็นเวลาสีเดือนท่านก็ได้นัดหมายให้ไปนสดยติใหม่ที่วัดบูรพาจังหวัดอุบลมีพระปัญญาพิสารเถระหนูวัดสับปทุมจังหวัดพระนครเป็นพระอุปชาพระอาจารย์เพ็งวัดใต้จังหวัดอุบลเป็นกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์มั่นเป็นผู้บันประชาให้เป็นสามเณรได้อุปสมบทใหม่เมื่อวันที่27พฤษภาคม พศ2470 อ, อ, 24อปสมบทเสร็จแล้วหนึ่งวันก็ได้ถือถูปองอย่างเพ่งครัดคือฉันเมือเดียวได้พักอยู่วัดบูรพาคืนเดียวก็ได้ออกไปอยู่ป่าบ้านท่าวังหินตามเคยเมื่อพระอาจารย์มั่นแต่พระปัญญาพิสารเทระได้เดินทางกลับจังหวัดพ น, คนัครเข้าจบพรรษาวัดสาปปทุมท่านได้มอบหมายให้ไปอยู่กับพระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์มหาปิน่น ในระหว่างนี้ได้เดินทางเทวิเวกไปในสถานที่ต่างๆพระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์มหาปิน่นก็ได้เที่ยวเทศนาอบรมสินธรรมแก่ประชาชนโดยคำขอร้องของพระยาตังเจมุงอุบลเมื่อจวนขา้นาพรรษาได้ไปพักจามาศาอยู่วัดบ้านหัวงวัวอำเภอยะโสธรพอดีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เจ้าคณะมณฑลได้เรียกตัวพระอาจารย์มหาปิน่น กลับจังหวัดอุบลตกลงจึงได้อยู่จำพรรษาในตะบล น, นั้นมีเพื่อนอยู่ด้วยกัน 4-5 ห้าองค์ในปรรสานั้นได้ภาคเพียรทำสมาธิอย่างเข้มแข็งบางคราวก็นึกเสียใจยอยู่บ้างเพราะพระอาจารย์ผู้ใหญ่นี้ไปหมดจิตบางขณะก็นึกอยากจะราเพศแต่หากมักมีเหตุบังเอิญให้สำนึกรู้สึกตัวอยู่เสมอวันหนึ่งเวลากลางวันประมาณ17นาฬิกา ขณะกำลังเดินจงกรมจิตกำลังแข่งไปในทางโลกพอดีมีหญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาข้างๆวัดเธอได้ร้องนํำเป็นเพลงขึ้นโดยภาษาว่าโกได้เล็งเห็นแล้วหัวใจนกขี้ทีปากมันหักร้องถือๆใจเลี้ยวใส่โปก็ได้จำเพลงบทนี้มาบริกรรมเป็นนิดว่าเขา ว, ว่าใส่เราคือเราเป็นพระ กำลังก่อสร้างความดีอยู่แต่ใจมันแสบไปในอารมณ์ของโลกก็อนอึกและอายใจตนเองเรื่อยๆมาว่าเราจะทําใจของเราให้อยู่กับภาวะของเราจึงจะไม่สมกับที่ผู้หญิงคนนั้นพูดเช่นนั้นเรื่องเหล่านี้ได้กลายมาเป็นธรรมะหมดเรื่องอื่นๆยังมีอยู่อีกมากล้วนเป็นกติเตือนใจทั้งหนึ่งในเวลากลางคืนเดือนหายได้ตกลองนัดหมายกับเพื่อนว่า เรามาเดินจงกรมกันอดนอนทำสมาธิกันในปษานา้นมีพระเพื่อนอยู่ด้วยกันรวมห้าองค์สามเณรหนึ่งองค์เราตั้งใจว่าจะปฏิบัติให้อยู่เหนือพวกเหล่านี้ทุกองเช่นเพื่อนฉันข้าวได้สิบคาเราจะต้องฉันสเสมอแปดคำเพื่อนนั่งสมาธิได้สามชั่วโมงเราจะต้องนั่งได้ถึงห้าชั่วโมงเพื่อนเดินจงกรมได้หนึ่งชั่วโมงเราจะต้องเดินได้สองชั่วโมง ทุกสิ่งทุกอย่างต้องนึกอย่างนี้แต่รู้สึกว่าทําได้อย่างนึกสิ่งนี้เป็นความรับในตนคนเดียวอยู่มาวันหนึ่งได้พูดกับเพื่อนว่าเรามาทดลองกันดูว่าใครจะนั่งสมาธิและเดินจงกรมเก่งกว่ากันจึงได้พูดตกลงกับเพื่อนว่าเวลาผมเดินจงกรมให้ท่านนั่งสมาธิเวลาผมนั่งสมาธิให้ท่านเดินจงกรมว่าใคร จะอดทนได้นานมากกว่ากันถึงวาระที่เราเดินจงกรมท่านองคนั้นได้ไปนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิใกล้ทางเดินจงกรมสักคู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงดังโครมจรึงได้เปิดประตูนหน้าต่างจะโงกหน้าออกไปดูได้เห็นเพื่อนองนั้นนอนงายขาชี้อยู่สังเกตเหตุการณ์ว่าท่านคงนั่งสมาธิขาสมาธิเพ็รแล้วเกิดง่วงนอนเลยงายหลังหลับไป ตัวเราเองก็ง่วงเต็มทีแต่ต้องอดทนให้ชนะเพื่อนให้ได้เมื่อได้เห็นอาการของเพื่อนเป็นอย่างนี้แล้วก็นึกละอายใจว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้บ้างคงแย่แต่ก็ดีใจว่าเราได้ชนะเขาเรื่องต่างๆที่ได้เล่ามานี้รู้สึกว่าเป็นคติเตือนใจได้เสมอมาพอออกพรรษาแล้วเราพังองค์เดียวในพรรสนี้รู้สึกตัวว่า ทำจิตทำสมาธิได้ดีมากจิตสงบละเอียดผณีวมีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นในใจอย่างหนึ่งซึ่งไม่เคยปรากฏมาแต่การก่อนคือเม่จิตสงบได้ดีแล้วมีอะไรอะไรผุดขึ้นต่างๆภาษาบาลีซึ่งไม่เคยแปลออกก็แปลได้เช่นบทสวดมนต์พุทธคุณหรือเจตํานานที่สวดมาก็นึกแปลได้เป็นส่วนมากพระพิธรรมเจด ก, กัมีย่อที่เคยสวดมาแต่การก่อน แต่ได้เกือบหมดรู้สึกว่ามีการแตกฉานขึ้นพอสมควรในเรื่องธรรมอยากรู้อะไรทําใจนิ่งๆก็รู้ไม่ต้องใช้ความนึกคิดเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้จึงได้นำเรื่องไปเล่าถ ว, วายพระอาจารย์กองมาท่านก็ชี้แจงว่าพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ได้เรียนรู้มาก่อนถึงเรื่องการเรียนหรือเทศพระองค์ท่านได้ปฏิบัติรู้ในใจก่อน แล้วจึงได้ปัญญาตวายเป็นปริยัติธรรมฉะนั้นการรู้ของเราเป็นการไม่ผิดเมื่อได้ทราบดังนี้ก็มีจิตอิ่มเ อ, อิบเริ่มใจเป็นอย่างยิ่งต่อมาเมื่อออกภาษาแล้วก็คิดถึงโยมผู้ชายเพราะเห็นว่ายังติดๆอะไรอยู่มากนึกจะไปโปรดโยมจึงได้ออกเดินทางไปอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเรียกว่าบ้านนนแดง ได้พักอยู่ใกล้ศาลเจ้าดอนโปตาได้พักอยู่คนเดียรในป่า น, นั้นญาติในหมู่บ้านนั้นทราบเรื่องจึงได้ส่งข่าไปถึงโยมผู้ชายรุ่งขนเชา้าโยมผู้ชายเดินทางมาหาเด็กเตรียมอาหามัธวายอย่างดีตามภาษาบ้านนอกแต่ก็ไม่ได้ฉันฉลองศรัทธาให้โยมเป็นที่น่าเสียใจมากเพราะขณะนั้นกําลังถือเคร่งในวินยัยและเป็นสิ่งควรเคร่งด้วยคือไม่ยอมฉันอาหาร ที่เป็นอุธิศมังศักคือการฆ่าสัตว์เพื่อให้เฉพาะบุคคลวันหลังมานึกสงสารโยมผู้ชายแทบน้ำตาไหลเมื่อโยมผู้ชายเห็นบุตรที่บวชไม่ฉันอาหารแล้วก็ได้ยกไปกินเองเสร็จแล้วได้ติดตามโยมมาพักอยู่ที่ป่าชาของบ้านเกิดเมืองนอนแล้วได้ไปพักอยู่ในป่าแห่งหนึ่งเป็นป่าที่ชาวบ้านถือกันว่าผีดุ ได้ไปพักอยู่เป็นเวลาหลายวันมีญาติโยมหลายหมู่บ้านพาการเดินทางมาฟังเทศได้ทำการปราบเรื่องการเชื่อถือผิผิดของชาวบ้านเหล่านั้นเช่นปราบพวกถือผีปอบผีกระสือผีไทยผีแทนมนกลที่เป็นเดรัจฉานวิชาต่างๆได้ทำการชำระล้างสิ่งนักใจของพี่น้องญาติโยมให้หมดไปเช่นผีพูตา ในดงเดินบ้านเก่าและที่พักอยู่นั้นด้วยได้ทำการสวดมนต์แผ่เมตตากำจัดปัดเป่าจนสิ้นเชิงเวลากลางวันได้ทำการเผาเครื่องเส้นสงผีเต้นผีรำผีมดผีหมอมากมายบางวันมีแต่ควันเผาเครื่องเส้นทั้งวันแล้วอบรมญาติโยมให้รับนับถือพระตตรชรนาคมให้สวดมนต์ภาวนาทางพระไม่ให้ยุ่ง เรื่องพูดผีปีศาจ